บุกทูสามสิบเจ็ดริชมตซปนระหว่างเดินทางเคลียเขาขับรถจักรยานยนต์ยโตโื้อเสจุวมตัวจุกลเขาขี่จักรยาน j ิ่งสวัสดีเด็กวัยรเขาเดินยิ่งเอ็นด์เขาไปโดยเรือใหญ่ยิ่งเปล่าเกลีเขาไปโดยเรือยิ่งเปล่าเกลีไปถเนี่ขาว่ายน้ำล ที่นี่อันตรายไหมคะอาร์ติปาวูย c งก์การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะอาร์ต i ปาวูยึงก์กับเวียดน t มเคลเลอตโตตตบมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนอาร์ตกันเอตปหลงทาง แมสปัสกิ a ีโดมาเรามาผิดทางแมสวาจูเอไ e ่ในทัวร์แค่ล่ะเ l าต้องเลี้ยวกลับทางเดิมแมสตูด t เมกริช t ตมจอดรถได้ที่ไหนคะคุณจะรันมาพัสดีเตอตโมเบลิมที่นี่มีที่จ r o รถไหมคะ อาร์จีรัสตูวีมอิสเตลียที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะเคเชาลมัสตูวิคุณเล่นสกีไหมคะอาริอุสเลดินเนตคุณจะขึ้นสกีลิฟไปข้างบนไหมคะอาริอุสเคลติสอิวูรชเคลตูว ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะอาจจะกาลมอสนมูตสเลส